แสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแกการปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปการปฏิบัติกรรมฐานนั้นเมื่อกล่าวโดยวัตถุประสงค์ที่เป็นแกนหลักท่านได้นิยามไปว่าในส่วนของสมถกรรมฐานนั้นมุ่งให้เกิดความสงบ จากอำนาจของกิเลสประเภทที่เรียกว่านิวรณ์ดังนั้นกรอบของการเจริญสมถะกรรมฐานท่านจึงกำหนดไว้ว่าการปฏิบัติอย่างใดก็ตามที่เป็นไปเพื่อความสงบระงับแผงนิวรณ์ทั้งห้าประการลงไปได้การปฏิบัติเช่นนั้นชื่อว่าสมถะกรรมฐาน ลักษณะของสมรกรรมฐานก็คือการการมีสติสัมปชัญญะได้ความเพียรในอารมณ์ทั้งหลายตั้งใจให้สงบอยู่กับอา ร, รมณ์เหล่านั้นแต่เมื่อจิตใจมีความสงบแล้วก็จะใช้ปัญญาพินิจพิจารณาเห็นเรื่องความจริงของสิ่งเหล่านั้นตามกฎของประจัยหลัก พอถึงจุดนั้นก็จะกลายเป็นวิปัสสนากรรมฐานที่ท่านนิยามไว้ว่าการมองเห็นสังขารทั้งหลายตามความเป็นจริงจนสามารถลรดละตัณหามานาทิฏฐิลงไปได้การนิบัติเช่นนั้นเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งจะเห็นได้ว่าในการปฏิบัตินั้นเป็นการเพิ่มส่วนที่เป็นกุศลแลธรรมขึ้นและกุศลและธรรมที่เพิ่มขึ้นนั่นเองก็จะทําหน้าที่ลดละกิเลสให้จางไปคลายไปบรรเทาไปซึ่งก็หมายความว่าแต่ละจุดที่ได้รับผลของธรรมะปฏิบัตินั้นปริมาณของธรรมะได้เพิ่มขึ้น ในขณะที่ปริมาณของกิเลสได้ลดลงไปในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันซึ่งก็หมายความว่าผลต่อมาก็ได้แก่ความทุกข์ได้ลดลงไปและความสุขได้เพิ่มขึ้นมีความสงบเพิ่มขึ้นมีความพุ่งสั้นสะสายในอารมณ์ต่างๆลดลงถ้าคุณสมบัติเหล่านั้นดํารงอยู่ภายในจิตได้นานๆ ทำใหอาการที่แสดงออกทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีของบุคคลก็จะดำเนินไปในคันลองแข่งกุศลที่พระเจ้าทรงสแสดงคุณลักษณะของพระหันทั้งหลายในโลกเอาไว้วสันตกายโยสันตะวโจ ο, สันตะมโนคือสามารถสะท้อนความสงบ อ, อกมาได้สามทาง สันตกายโยก็คือมีกายสงบกรรมกายสงบนั้นก็มีอยู่สองระดับระดับหนึ่งก็คือการประพฤติก ร, รรมของบุคคลที่เกิดผลในทางอภิบาลคุ้มครองรักษาสวัสดิภาพในชีวิตของตนเองและบุคคลอื่น แม้จะมีการดำเนินแสดงออกไปโดยวิจิพิสดาร์างไรก็ตามท่านสาธารชนทั้งหลายจะเห็นได้ว่ามันก็อยู่ในกรอบของศีลสามข้อแรกคือจะไม่มีการประพฤติกรรมที่เป็นการเบียดเบียนตนเองและบุคคลอื่นทรัพย์สินเงินทองของตนเองและบุคคลอื่นตลอดถึงเรื่องของทางเพศการรัตุสารายทางกายไม่ว่าจะทําให้มากอย่างไรก็จะอยู่ในเรื่อง3มเรื่องนั้น สันตวิโจคือมีวาจาที่สงบจุดเริ่มต้นก็คือการงดเว้นวาจาที่เรียกว่าเป็นทุจริตเธอก็พูดไอวาจาที่เป็นสุจริตแต่เรื่านี้ที่จริงก็เป็นการสะท้อนจากจิตที่สงบจากกํานาจของกิเลสดังกล่าวพระเจ้าทรงใช้คำว่าสันตมโนคือความสงบภายในจิต แต่ความสงบภายในจิตที่จริงเราก็ดูกันไม่ได้นอกจากว่ใครมีจิตสงบคนนั้นก็จะรู้ได้โดยตัวของตัวเองอาการที่จะท้อนก็คืออาการทางกายกับทางวั จ, จัที่แสดงให้เห็นถึงความสงบภายในจิตของท่านเหล่านั้นในความขนองกายเรื่องของกายนั้นอีกประการหนึ่งก็คือการขนองกายขนองวั จ, จั หมายความมีการประพฤติการทำไปในรูปของการขนองคือปล่อยกายปล่อยใจของตัวเองให้ไหลไปตามน้าของกิเลสกิเลสนั้นจะเป็นเหตุใน้ขนองครานี้ท่านสาชนทั้งหลายลองสังเกตว่าการดูการและเล่นต่างๆการดูกีฬาการดูกีฬ า, าต่างๆคือสรุปว่าที่ทรงบัญญัติทำไว้ในศีนข้อที่6ที่เจ็ดที่แปดที่9 8. แต่อย่างนั้นเป็นเหตุให้ขนองในตอนต้นๆเราอาจจะเข้าไปอย่างสงบพปร่งสุแต่เมื่อมีการเล่นมีการสแสดงมีการไร้ดามต่างๆใจเราก็จะเริ่มขอนองคือสนุกสนานตามบทบาทเหล่านั้นซึ่งอาจจะออกมาแค่ยิ้มแค่รู้สึกเบิกบานสนุกสนาน เฉพา อ, อาการเหล่านั้นมีการกระแทกกระทันมากเข้าอาการทางกายทางวิางจากกขนองซึ่งบางครั้งก็ต้องลุกขึ้นเต้นถ่งเสียงดังหรือตึกคลกโครมเพือมีกิจกรรมที่เราเห็นก็นได้ในที่ทั่วไปลักษณะเหล่านี้ได้เคยมีปัญหาขึ้นในสมัยพุทธกาลมีนักเต้นรำคนหนึ่งถือว่าการกระทำของเขานั้นเป็นบุญ โดช่วยให้บุคคลได้มีความรื่ดเรองหันษาลืมความทุกข์ไปได้ชัว่วขณะการแสดงทั้งหมดของเขาจึงกลายเป็นบุญที่ช่วยส่งเสริมคนแล้วก็ตายไปแล้วจะบังเกิดเป็นเทพเจ้าที่มีความรื่ดเริงอยู่เป็นนิดอาจารย์ของอาจารย์เขาสั่งสอนมาอย่างนั้นอาจารย์เขาเองก็สั่งสอนเขาอย่างนั้นแล้วเขาเองก็มีความเชื่ออย่างนั้น จนในสุดคนเหล่านี้ก็ได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าประกราบทูลถามตอนต้นก็ไม่มีพระประสงค์จะแสดงถาว่าจะไปกระทบกระเทือนความรู้สึกและอาชีพของเขาแต่เมื่อขอขอร้ อ, องให้แสดงพระเจ้าก็รับสั่งว่าเป็นความเข้าใจผิดที่คิดว่าการกระทำเช่นนั้นจะช่วยตนบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ แท้จริงแล้วก่อนจะมีการแสดงนั้นจิตใจของคนยังไม่กำเริบกิเลสก็ยังไม่รุนแรงอะไรแต่พวกเธอมีบทบาทในการแสดงเป็นลักษณะโยโยยวนเป็นการเพิ่มพูนกิเลสเพิ่มพูนความทุกข์ความโศกให้เกิดขึ้นแก่ผดดู้ดูเพรยงการกระทำเช่นนี้แทนที่จะเป็นบุญเป็นกุศลมาเป็นบาปเป็นกุศล ซึ่งจะอำนวยผลให้ตกน ร, รกในชาติต่อไปไม่ใช่ว่าขึ้นสวรรค์ในชาติต่อไปแล้วเมื่อได้มีการกราบทูลถามซักไซไปโดยลำดับผู้เจ้าก็ทรงแสดงเหตุผลไปโดยลำดับในสุดตัานเหล่านี้ก็มองเห็นโทษบาปต่างๆที่ตนได้กระทำ แล้วขอละขอข้าบวดในพระพุทธศาสนา่าเป็นเพียรจนบรรลุมรรคผลไปคร น, นีท่านสาธารณชนทั้งหลายเจนว่าอาการขนองกายขนองวาจาที่เกิดขึ้นนั้นมันมีตัวกระตุ้นมาจากขนอกแล้วก่อให้เกิดอาการขนองมีกายวาจาใจที่วิปริตไปคือว่าที่จริงแล้วถ้าเริ่มจิตวิปริตกายวาจาผมก็วิปริต เพราะคุณลักษณะเหล่านี้ก็คือคุณลักษณะของจิตที่มีความสงบจยากกิเลน ด, ดังนั้นเราจึงพบในกุศลกรรมบทสมข้อหลังเป็นเรื่องของการควบคุมจิตใจของบุคคลเอาไว้ไม่ให้คิดพลานไปหากว่าใจไม่คิดพลานไปอย่างนั้น ากายวาเขาก็ต้องสงบเป็นธรรมดาปัญหาใหญ่ที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยังอยู่ที่ใจเป็นตัวการสำคัญความคิดในลักษณะนี้ไม่ได้หมายถึงไม่มีกิเลสเพียงแต่ว่าเราควบคุมกิเลสเอาไว้ได้ไม่ขึ้นสู่กระแสจิตครอบงำจิตเราให้วันไ้ ไ, ไปตามหน้าของเขา พันยิ่งทรงใช้คําว่าอาภิชาอ น, นัภิชาคือไม่เพ่งเลง็งไม่โลภอยากได้สิ่งของของบุคคลอื่นในขณะนั้นจริงๆแล้วใจก็มีความโลภอยู่แต่ควบคุมความโลภเอาไว้ถ้าถึงก็อยากได้แต ป, ปรารถนาต้องการเคยใช้ความเปลี่ยนพยายามแสวงหาสิ่งเตนนั้นให้ได้มาด้วยความเปลี่ยนพยายามของตัวเองก็อยู่ในกรอบของสมาชิก ก็อยู่ในองค์มรรคไม่ได้นอไม่ได้ออกไปนอกองค์มรรคก็คช่วยให้กายวิช า, าสงบไปในสายนิ่งสืบเนื่องมาจากใจที่มีความสงบเพราะกิเลส ข, ขอ้อนี้ที่สงบไปนั้นท่านาธาชนจะสังเกตเทียบเคียงกันในเรื่องของนิวรณ์ก็คือเรื่องของกาลมาชันเป็นกิเลสประเภทเดียวกัน กรรมฉันนั้นมีความหยากน้อยกว่าอภิชามีความหยาบมากกว่าแต่ว่าเมื่อส ง, งบลงไปได้กรรมฉันก็ส ง, งบกรรมฉันเป็นเพียงอาการของกิจที่สายไปตึกนึกเหีียวนึกครุ่นคิดหมุกมุนอยู่กับอารมณ์ที่เราคร้เราปรารถนาเราพอใจอาจจะเป็นเรื่องผ่านมาแล้วเรื่องที่เราปรารถนาจะได้จะมีจะเป็นเรื่องที่กำลังเพลิดเพลินอยู่ในปัจจุบันก็ตาม ตำนองมรสรบนั้นเราจะเห็นว่าบางตอนมันเป็นความเพลิดเพริคือเป็นเพียงอาการของกามาสันแต่บางตอนก็อยากได้อยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ชอบบทบาทของละครตัวใดก็ต้องการจะเป็นตัวนั้นเป็นต้นแสดงว่ามีลักษณะของอภิชา มายความว่าในขณะนั้นกิเลสได้ถูกสิ่งภายนอกมาราวให้เพิ่มปริมาณขึ้นอาการของกิเลสก็เปลี่ยนแปลงไปสภาพจิตมันก็เปลี่ยนแปลงตามไปพอมาถึงกุศลกรรมบทข้อที่9ก็คืออภพยาบาัตในความคิดใจิตใจนั้นไม่ถึงกระดับความโกรธได้ วความโกรธเป็นกิเลสที่ตัดได้ยากคนที่ตัดโกรธได้จริงๆก็ต้องมีตั้งแต่พระอนาคามีขึ้นไปเราสรุปว่าคนที่ตัดความโกรธได้จริงๆก็มีเฉพาะพระราหันกับพระอนาคามีเท่านั้นคนระดับอื่น ก, ก็ตัดจริงๆไม่ได้มันราจจะตัดได้บางอารมณ์แต่บางอารมณ์ก็เกิดตัดไม่ได้ เพราะการควบคุมจิตในลักษณะ น, นี้แม้จะมีการกระทบกระทั่งอะไรมาจากข้างนอกอาการทางกายทางวิ จ, จา ก, ก็สงบได้เพราะว่าใจยังไม่ถึงกับโกรธรุนแรงจนถึงกับแสดงอาคตาิความอาคาตพยาบาทออกมาและพอความสงบเพิ่มขึ้นหมายความมาอพยาบาทคือความไ ม, ไม่พยาบาทเพิ่มขึ้นมันก็กลายเป็นการละความพยาบาทในนิวรณ์ ล้วกว็ละแม้แต่พวกปฏิฆะซึ่งอยู่ในสังโยชน์กิเลเหล่านี้ที่จึงเป็นกิเลสสายเดียวกันแต่เรียกชื่อโดยความหยาบกลางละเอียดเท่านั้นประเภทนิวรณ์ก็เกิดขึ้นกุ่มรวมใจประเภทนี้มันก็แล่นออกไปข้างนอกหมายความวอาไปกำหนดวัตถุบุคคลที่ตนพยาบาททากข้างนอก เรื่องหนั้นอาจจะเป็นอดีตอานาคตปัจจุบันก็ได้สแสดงกระแสความคิดดุนแรงกว่าทำให้เกิดอาการผิดปกติทางกายทางวิจารมากกว่าแต่ว่าคุมได้ในจุดนี้กายก็ต้องสงบพยาบาทก็ต้องสงบในประการสุดท้ายก็ส่งสรุปเป็นสมาธิคือปัญญาที่เห็นชอบตามความจริงของสิ่งนั้ น, น, น คุณลักษณะเหล่านี้ที่จริงคนทุกคนนั้นมีอยู่และสามารถใช้ปัญญาคุ้มครองตนเองรักษาตนเองได้ในหลายๆเรื่องเช่นเราจะรับประทานอาหารหรือจะทำอะไรก็ตามมันสังเกตว่าการกระทำนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่เรากระทําินั้นทำอย่างนั้นสิ่งนี้ทิ่ทำอย่างนี้สิ่งนัน้นทาอย่างน้น แสดงว่าในขณะนั้นเราก็มีสติมีสัมผััญญามีความเพียรที่สามารถตัดสินวินิจฉัยลงมือประพฤติทาไปในทางที่ถูกที่ต้องใด้อาจะดูจากการรับประทานอาหารก็ได้ถึงจะเห็นได้ว่าเราได้เลือกสรรอาหารสิ่งที่ใช้ในการตักอาหารและปริมาณอาหารที่จะตักเข้ามา เราทุ่งวิธีการที่รับประทานในขณะที่เคลียร์ไปเนี่ยที่จิ้มก็มีธรรมะคือสติสมัมปจนญาตความเพียรที่คุ้มครองตัวเองได้ตอนแรกที่ขาดสติไปอาจจะโดนกล้างเข้าบางังอาจจะไปกินในอาหารที่เราไม่ควรกินคือไม่ถูกกับโรคร่างกายของเราบางังมันแสดงเห็นว่าในขณะนั้นสติสมัมปจนญาตความเพียรมีกำลังไม่มากพอกามฉันไม่กำลังมากกว่า ก็ทำให้อยากกินอยากลี้มอยากชิมสิ่งเหล่านั้นและในสุดก็ตามไปแก้ปัญหาซึ่งก็แก่อานานนั่นคืออาการของธรรมะที่เรามีการคุ้มครองจิตใจเราเองได้อยู่หลายหลายหลา ย, หลายเรื่องห ล, หลายระดับแต่ปัญหาสำคัญที่กายมันเกิดไม่สงบที่วาจาเกิดไม่สงบมันเกิดจากใจที่ไม่สงบ โดยอาศัยแรงที่กระแทกมาจากข้างนอกลักษณะอารมณ์ที่ผ่านมาในชีวิตของเรานั้นให้ลองสังเกตว่าอารมณ์ที่กระทบทั่วๆไปส่วนหนึ่งสําหรับคนที่สนใจไคร่ธรรมระพฤติปฏิบัติธรรมเราก็ทนทานต่ออารมณ์ดณังนั้นได้แต่ค่อนข้างจะได้มากในขณะที่คนอื่นก็มังอ่อนไหวย่กับเรื่องดังนั้นเดือดร้อนวุ่นวายย่กับเรื่องดังนั้น ตอจะเฉยๆนั้นแสดงว่ารักษาจิตให้อยู่ในจุดของอุเบกขาได้อุเบกขาที่จริงก็เป็นอาการของปัญญาตือเพ่งพินิดพิจารณาทํานองที่พระเจ้าเสด็จไปโปรดพระปริยุรญาติเมื่อทะเลาะกันแย่งน้ำในแม่น้ำโรฮิตนี่ก็ในอีกส่วนหนึ่งนั้นคนกำลังวุ่นวายก็ทึก จะฆ่าจะฟันกันให้ได้ไม่ดูดำดูดีกันแล้วผู้เจา้าทรงเปล่งเป็นผู้ตอุฐานเทียบเคียงถึงสภาพจิตของพระองค์กับสภาพจิตของบุคคลเดอกนั้นทั้งคนต่างหลายกำลังจะวิวาทกำลังทะเลาะกำลังถือเอาแตกต่างกันประสบความวุ่นวายปรประสบความเดือดร้อนต่างๆแต่พระองค์ไม่มีลักษณะอย่างนั้น จะอยู่เป็นสุขสบายจริงหนอแล้วทรงยกมาเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องเพื่การแสดงเห็นว่าในจุดยืนที่ใกล้ๆกันนั่นเองความเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นภายในจิตของบุคคลคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นพระประยุรญาตเป็นกษัตริย์ด้วยกันกำลังจะเห็นฆ่าทำลายล้างกันในหวังพี่ระหว่างน้องและรองเองก็เป็นสัจยะ แต่พอดีก็ไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้มีการมาพฤติกรรมเช่นนั้นสามารถสงบอยู่ได้ท่ามกลางอารมณ์ที่ถือความไปเราเป็นเขาซึ่งรุนแรงกำลังเตรียมจะฆ่ากันอยู่นั่นเป็นการแสดงให้เห็นว่าลักษณะอารมณ์ที่มากระทบจากข้างนอกคือถ้าเราไม่รับมันก็ไม่มีแต่ถ้าเราเกิดไปรับเข้าจิตใจมันก็อ่อนไหวตามเรื่องที่เรา เข้ามาก็ตามองคล้ายๆกับดูหนังดูละครดูภาพยนตร์อะไรก็ตามสังเกตว่าถ้าเราดูเป็นเรื่องปกติธรรมดาศึกษาวิธีการในการทํางานเขาดูเทคนิคในการทํางานในการแส ด, แดงคือมองในแง่ของศิละปะมันก็จะรู้สึกไม่ค่อยจะรุนแรงด้วยความรักความชังแต่ถ้าเอาใจร่วมเข้าไปคือมองเห็นเรื่องเหล่านั้นเป็นจริงเป็นจัง เหตกากับเป็นเรื่องชีวิตจริงติดใจเราก็ไปกำหนดสถานะของบุคคลเหล่านั้นเป็นฝกักเป็นฝ่ายตามที่เขาแสดงแล้วเราก็ไปอยู่ในฝ่ายในฝ่ายหนึ่งใจก็จะเวียงไปด้วยอำนาจความรักความชังจะเวียงไปด้วยอำนาจความโศกความเครียดแค้นความครอบคลองใจบางครั้งละครเลิกไปแล้วแต่ยังรบอยู่ภายในใจเราไม่หยุด บางทีก็ อ, อาจจะนอนนิวนึกตึกนึกถึงบทละครหลอกนั้นก่าจะหลับไปได้ก็ต้องสูญเสียเวลาเปน็นนานนั่นคืออาการของจิตที่ขาดการควบคุมในระดับหนึ่งซึ่งมีสิ่งเร้ามาจากข้างนอกแต่ว่าอารมณ์เหล่านี้เองถ้าหากว่าจิตใจเราไม่เข้าไปร่วมบงผิดบุญด้วยเด็เขาจะเป็นอะไรก็ไปเรื่องของเขา คือมองดูมันเกี่ยวกันหรือไม่เกี่ยวกันที่พระเจ้าทรงสอนว่าไม่โกรธผู้โกรธตอบไม่ดา่าผู้ดา่าไม่ประทุษร้ายผู้ประทุษรนะ้ายเนี่ยจะต้องใช้ปริมาณของสติสมัญญาความเพียรมากกว่าปกติคือปัญญาสติจะต้องเกิดขึ้นวินิจฉัยได้ในขณะนั้นจะมีคนมาด่าเรา ปัญญาจะต้องรู้ว่าเวลาเนี้ยมีการด่าก็มีคนด่าคนที่ด่านั้นเป็นคนเลวเป็นคนมีใจประกอบด้วยมโนทุจริตวาจาประกอบด้วยวิจีทุจริตแต่การกายก็ชักจะทุจริตตามไปแล้วแต่ในเวลานั้นขณะนั้นในขณะเดียวกันนั้นเองเรายังไม่เกิดทุจริตทางกายทางวาจาทางใจ จ่าถามว่าระวังเรากับเขานั้นใครดีกว่าเฉพาะขณะนั้นเราก็ดีกว่ามันเรื่องอะไรที่จะกระโจนลงไปเป็นคนชั่วตามที่เขาต้องการเราชั่วอย่างเขาสติสัมปชัญญะก็ปิดกัน้นกระแสะของอารมณ์นั้นตัดกระแสอารมณ์ความคิดออกไปโดยนัยยะอะไรก็ได้ซึ่งแต่ละอย่างนั้นเป็นความคิดที่จะรักษาตัวเองเอาไว้ จะน้อยที่สุดก็ไม่ต้องไปทำความช่วยอย่างเขาหรืออาจจะคุมลึกซึ้งขนาดนั้นไม่ได้ก็เก็บไว้เฉพาะภายในใจคือไม่ถึงก็ออกมาทางวาจาพรู้ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ดีกว่าเขาอยู่ระดับหนึ่งคือเราโกรธจริงแต่ไม่ถึงกับด่าว่าออกมาก็าโกรธ ด, ด้วยแต่เขา ด, ด่าว่ามนด้วยแสแดงว่าเราก็ดีกว่าเขานิดหนึ่งแต่ถ้าเราไม่โกรตอบเลยเสแสดงว่าชนะหมดพระลักษณะเหล่านี้ การเกี่ยวข้องกับอารมณ์ต่างๆซึ่งมีแรงกระแทกกระทันอย่างสูงนั้นพลังภายในใจเราจะต้องสูงแต่งานถึงจุดหนึ่งเนี่ยจะสู้ไม่ได้จะต้านทานกระแสของอารมณ์ไม่ได้เพราะไรเพราะอารมณ์บางอย่างมันไม่ใช่กระทบผ่านไปผ่านมาเฉยๆแต่เป็นความต้องการเป็นความประสงค์ของบุคคลเหล่านั้น ที่จะก่อให้เกิดความรักความชังขึ้นไปในใจเราอารมณ์จึงมีลักษณะเป็นยั่วยุยัวยวนยั่วยวนนั้นพึงสังเกตว่ามุ่งที่จะทำลายเราหรือแสวงหาประโยชน์จากเราไม่ว่าจะยั่วยวนในวิธีอะไรก็ตามจะมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เชิญชวนชักชวนดวยวิธีการต่างๆถ้าใจเราอ่อนไหวแล้ว เราจะสูญเสียผลประโยชน์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ชั่วยนแต่ลักษณะยั่วยุนั้นต้องการทำลายตัวต้องการทำลายชีวิตต้องการทำลายชื่อเสียงต้องการทำลายอนาคตอะไรต่างๆของเราสรุปว่าอารมณ์ที่ยั่วยวนั้นจะมุ่งทำลายผลประโยชน์ต่างๆเช่นเงินทองทรัพย์สมบัติอะไรต่างๆที่เราถือครองก็เป็นของเราอยู่ เธอถ้ายั่วยุแล้วมุ่งทํำลายตัวเลยเพื่อจะให้เกิดความเคียดแค้นต้องการเข้าไปข้าหพันก็ไปต่อสู้ประหัตผานกันอย่างใกล้ๆกับองศาวดานจีนที่บอกก่อนจะรบก็ต้องมีการยั่วยุกันในวิธีการหน้าต่างมาความต้องฝ่ายหนึ่งเกิดโกรธบังยากาศการควบคุมตัวเองเนี่ยควายั่วยุที่จริงเขาไม่โกรธ แต่ก็ต้องการด้วยยุไอีกฝ่ยายหนังโกรดเพื่อขาดสติสมัมปชัญญะที่จะควบคุมจิตใจแล้วในที่สุดเนี่ยก็จะตกเป็นเครื่องมือของบุคคลนั้นก็อาจจะถูกฆ่าตายไปเป็น ต, ต้นถ้าจังหวะยั่วยวนก็เหมือนกันคือต้องการทําลายสติสัมปชัญญะความเพียรที่มีอยู่ภายในใจของคนโดดนั้นให้สูญเสียกําลังในการคุ้มครองรักษาใจ แต่สูญเสียความเป็นตัวองตัวเองแล้วก็ตกอยู่ในอำนาจของการยั่วยวุลในอำนาจของการ ย, ยั่วยยุคดังกลาง่าวมัฏจักําลังสติสัมปจนญาความเพียรเรามีอยู่สติระลึกได้ปัญญาก็จะเข้าวินิจฉัยตัดสินในสุดก็จะใช้ความเพียรพยายามห้ามใจบ้างออ ก, ก็ออกั้นอดทนไปบ้างตัตดกระแสะความคิดเหล่านั้นลงไปบ้าง หรือว่าให้อภัยสับ้างเมตตาสับ้างก็แล้วแต่เราจะหยิบสวยตรงใดขึ้นมาก็ได้คือธรรมะแต่ละข้อนั้นร่งเกตว่าไม่ต้องไปติดใจในกลุ่มข้อใดธรรมะก็คือธรรมะเชนสมมติดบแผ่เมตตาซึ่งเป็นธรรมะฝ่ายขจัดพวกอโทสะพวกผู้โทสะออกไปลักษณะก้าวร้าวรุนแรงเหล่านั้นก็ถูกสลายไปเรืแรงของเมตตา บางครั้งปัญญาซึ่งเป็นตัวขจัดโมหะมันจะมีการตัดสินวินิจฉัยแล้วก็ไม่ยอมรับสิ่งยั่วยุยั่วยวนร้ายั่วยวนเหล่านั้นในสุดความโกรธต่อผู้โกรธ ด, ด่าต่อผู้ด่าประหารต่อผู้ประหารปรุถุรลายต่อผู้ปุถุสไ ร, รยก็จะไม่เกิดขึ้น คแม้ได้ธรรมะพวกข่มใจพวกอดกั้นอดทนก็มีลักษณะอย่างนั้นคือจะทนทาตัวอารมณ์ที่อายุยืยนตลอดถึงยุใหแย่ต่างๆอารมณ์ยุ่ยแย่นั้นก็ต้องอาศัยปัญญาเป็นหลักเพราะตามปกติแล้ววินิจัยค่อนข้างยากเนื่องจากเขามาด้วยความรักและความปรารถนาดีประชาชนทั้งหลายจะสังเกตได้ว่ากิเลสประเภทโลภ เละเขาก็ตุ้นความรู้สึกประเภทโลภะที่ต้องการทำลายผลประโยชน์ของเรานั้นจะมาในรูปของมิตรมากกว่ามาในรูปของจดจสูสร้างความสนิทสนมคุ้นเคยเป็นกันเองรับใช้ใกล้ชิดพยายามที่จะแสดงให้เห็นว่าเขามีมิตรจิตมีความฝังดีต่อเราขณะยู่ยแย่ก็จะไม่เก่น คือจะคล้ายๆกับมามุ่งอภิบาลรักษาคุ้มครองเราแต่เขาทนไม่ได้แต่คนนั้นว่าเราจะนั้นอย่างนี้แล้วก็จะมาบอกกล่าวทำไมบอกกล่าวก็เป็นวงเป็นใหญอนาคตของเราอันตรายที่จะเกิดขึ้นแกเราเป็นต้นเพราะเราจะรู้สึกว่าเขาเป็นมิตรแทนที่จะมองเห็นเขาเป็นศัตรูซึ่งก็ผิดกับกิเลสประเภทดุยุซึ่งก็มองเห็นได้นะฮะถ้าหากว่ามีการแสดงออกโดยวิธีใดกต็ตาม แต่บางทีมันก็มีเลขมายาในการดูยุ่เหมือนกันเห็นไว้เกิดทึกเขื่อให้เกิดแข่งดีให้เกิดอยากที่จะต่อสู้ตานองกับกลุ่มประกันไปย่อยยุ่ยสุครีพไปถอนต้นรังเห็นว่าลักษณะนั้นก็อให้เกิดความทึกเขืมท้าทายต้องการจะลองดีแล้วต้องการจะอวดสักดาของตัวเองสติสตัณฐ์ยางนนในกระดังน้ำก็ขาด สุครีพก็เหลือแต่ความเพียรที่ขาดความขาดสติสามัญญะความเพียรนั้นมีเพราะเพราะมีแรงถอนต้นรังได้แต่สติสามัญญะไม่มีกำลังในการคุ้มครองพอในสุดก็ถูกุมปการจับไปนา่าจะเป็นตัวอย่างทังการมีและการไม่มีธรรมะเมื่คุณลักษณะของความสงบทั้งสารประการกับทางกายก็ดีทางวาจา ก, ก็ดีทางใจก็ดี อันที่จริงถ้าเราจะจับหลักแม้เพียงกุศลกระบท10บประการซึ่งเป็นทีน่าสังเกตว่าเวลาทรงแสดงธรรมะที่เป็นพื้นฐานในการประพฤติปฏิบัตินั้นพระพุทธเจ้าจะเน้นที่สีลห้ากับกุศลกระบท10 บ, บ, ท บ, บ, ทบนเนี่ยเป็นหลักท่านนี้เป็นเพราะอะไรพระถ้าเรามองในแนวปริยัติก็คล้ายๆก็มีเพียงสิบข้อเท่านั้นเองแต่ถ้ามองในรูปปฏิบัติจะเป็นการปรับ เปียนจิตใจของบุคคลให้มีความประณีตขึ้นไปโดยลําดับมีความสงบเกิดขึ้นภายในจิตโดยลําดับเคยช่วยให้กายสงบจริงๆริวาจาสงบจริงๆแล้วก็ใจสงบจริงๆแม้จะมีอารมณ์ข้างนอกมากระทบก็ดีมากระแทกก็ดีหรือบางทีอาจจะมาถึงกระทุ้งหรือกระ ท, ระทําก็ตา แต่ใจใจก็จะไม่อ่อนไหวไม่กระเทือนไปตามแรงเสียดแทงเหล่านั้นต่อจานี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป